สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบห้าพระเจริญของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบเจดนะครับพระธรรมลูกาบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบถึงข้อที่สามสิบเจ็ดโปรดฟังพระเจริของพระเจ้าเมื่อพวกฟอสสีทูลถามพระองค์ว่า แผ่นดินของพระองค์จะมาถึงเมื่อไรพระองค์ตัดตอบเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่มาด้วยนิมิต ท, ที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายพระองค์ัดกับเหล่าสาวกว่าคงจะมีเวลาหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายจะไข่เห็นวันของบุตรมนุษย์สักวันหนึ่งแต่จะไม่เห็นเขาจะพูดกับท่านทั้งหลายว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่น อย่าออกไปอย่าราเขาด้วยว่าเปรียบเหมือนฟ้าแลบเมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่งก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละในวันของพระองค์ก่อนนั้นจำเป็นที่ระงจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการและคนยุคนี้จะไม่ยอมรับพระองค์ในสมัยของโนอาเหตุการณ์ได้เป็นมาแล้วอย่างไรในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นไปอย่างนั้นด้วย เขาได้กินและดื่มได้สมรสกันและได้ยกให้เป็นสามีพันยากันจนถึงวันนั้นที่โนอาห์ได้เข้ามาในนาวาแต่น้ําได้มาท่วมล้างผลานเขาเสียทั้งสิน้นในสมัยของโรตก็เหมือนกันเขาได้กินดื่มซื้อขายวานปลูกก่อสร้างแต่ในวันนั้นที่โลดออกไปจากเมืองโสดมไฟแลก็กรรมถันได้ตกลงมาจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั้งสิน้น ในวันที่บุตรลูกจะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้นในวันนั้นคนที่อยู่บนดาดฟ้าลังคาตึกและของของเขาอยู่ในตึกอย่าให้เขาลงมาเก็บของนั้นไปและคนที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้เขากลับมาเหมือนกันจงน้ำนึกถึงปัญญาของโลดนั่นเถิดผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวิตของตนรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะสู้เสียชีวิตผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด เราบอกทั้งหลายว่าในคืนวันนั้นจะมีชายสองคนนอนในที่นอนเดียวกันจะสรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งผู้หญิงสองคนจะโม้แป้งด้วยกันจะสงรับคนหนึ่งจะสรงละคนหนึ่งเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์เจ้าค่ะตรงจตัดตอบว่าซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งจะตอมกันอยู่ที่นั่นพี่น้องครับ ในข้อที่ยี่สิบนั้นครับฟาริสีทูลถามพระเยซู ว, ว่าแผ่นดินของพระองค์จะมาถึงเมื่อไหร่แผ่นดินของพระองค์จะมาถึงเมื่อไหร่พวกเขารอคอยกษัตริย์ครับพระเซียที่มาก่อตั้งราชอาณาจักรที่พวกเขาคาดหวังไว้เป็นราชาจักรที่มองเห็นได้ในโลกนี้เพื่อที่จะมาล้มล้างพวกโรมันพวกเขารอคอยให้เวลานั้นมาถึงด้วยความร้อนอกร้อนใจ ดังนั้นนี่จึงเป็นคำถามธรรมดาธรรมดามากครับเพราะพระเยซูได้ทรงสอนให้กับใจใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระองค์ตรัสตอบว่าไม่มีผู้ใดจะรู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่พวกเขาคงจะประหลาดใจในคำสอนของพระเยซูประหลาดใจยังไงครับประหลาดใจที่ว่าพระเยซูสอนว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย โดยในแยภาษากรีกนะครับคําว่าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายนั้นก็คืออยู่กลางกลุ่มในพวกท่านอยู่ในตัวท่านเรียบร้อยแล้วพคุณครับพวกฟาริสีไม่เชื่อวางใจในพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ครับว่าแผ่นดินของพระองค์อยู่ที่ไหนพระเยซูจึงไม่บอกพวกเขาว่าแผ่นดินของพระองค์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในตัวของเขาเองนะครับพวกเขากําลังอยู่ในกลุ่มของผู้เชื่อซึ่งเป็น แผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้แล้วพี่น้องครับกลุ่มของผู้เชื่อในแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าหมายความว่าหมายถึงคือพวกเราครับพวกสาวกผู้เชื่อผู้ที่ติดตามพระเยซูมาจนทั่งถึงทุกวันนี้นะครับเป็นล้านๆกดกๆนะครับและเพราะพระเยซูเองเป็นกษัตริย์ของพวกเขาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาทําให้พวกเขาได้มีประสบการณ์ล่วงหน้าในสภาพที่เป็นแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ ที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยตรงนั้นแหละครับเป็นแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์นั้นอยู่ท่ามกลางเราครับจากโดที่พระเยซูประทับอยู่ด้วยและเราเป็นลูกของพระองค์ความจริงต่อไปก็คือการเสด็จมาของพระเยซูนั้นประการแรกอยู่ในข้อที่ยี่สิบสองเยซูตรัสว่าจะมีวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่พวกสาวกใคร่จะเห็นพระองค์เสด็จกลับมาแต่ไม่เห็นแสดงว่าพระเยซูนั้น กำลังบอกกับเราเป็นในๆว่าพระองค์จะยังไม่มาในศตรวรรษนี้ศตรวรรษนี้ก็คือในศตรวรรษที่หนึ่งนะครับมีคนเป็นอันมากรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูแต่ยังไม่ถึงเวลาครับประมาณนี้ข้อ24ครับก็จะเป็นประการที่อสองพระเยซูบรรยายถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ว่าเหมือนฟ้าแลบพระองค์จะเสด็จมาอย่างฉับพลันโดยคาดไม่ถึงและมาอย่างมองเห็นได้ครับมองเห็นได้ เราจะมองเห็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูในสถานฟ้าอากาศได้เลยครับชัดเจนทุกคนเห็นด้วยแล้วพระเยซูตรัสอีกว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนพระเยซูกลับมาในข้อที่ยี่สบห้าอันนี้เป็นประเด็นที่สามพระเยซูตรัสว่าก่อนนั้นจาเป็นจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการและถูกปฏิเสธจากคนในยุคนี้จะไม่มีการเสด็จมาครั้งที่สองครับจนกว่าพระเยซูจะทรงวายพระชน และนี่คือการเปิดสกรารของการรอคอยพระเยซูเฉล็จมาครั้งที่สองก็คือพระเยซูเฉล็จมาครั้งที่หนึ่งและจะต้องสิ้นพระชนบนไม้งเกนนั่นแะครับและจะต้องเป็นขึ้นเหนความตายและเฉลต์สู่สวรรค์ครับประเด็นต่อไปครับประเด็นต่อไปประเด็นที่สี่พระเยซูยกตัวอย่างประกรอบคําสอนของพระองค์ข้อยี่สบหกยี่สิบเจ็ดอ้างถึงสมัยของโนอาทุกคนจมน้ำตายหมดยกเว้นครอบครัวของโนอาผู้เชื่อวางใจในพระเจ้า นี่เป็นปรเด็นที่สี่นะครับที่พูดถึงเรื่องของคนที่จะถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระองค์ในการเสด็จมาครั้งที่สองนั้นจะต้องเป็นคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูนะครับและในข้อยี่สบแปดยิบเก้าพระเยซูก็อ้างถึงโลดครับว่ามีครอบครัวโลดเท่านั้นที่รอดปลอดภัยจากการทําลายล้างเมืองโฉดอมและโกมราเมืองนั้นพระเจ้าสัญญากับอับรหามว่าพระองค์จะทรง รักษาเมืองนั้นไวาาหากมีผู้ที่นับศักดร์พระเจ้าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่ในเมืองนั้นถึงสิบคนแต่ปรากฏว่าไม่มีถึงสิบคนครับมีเพียงสี่คนเท่านั้นที่รอดชีวิตปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สิบแปดข้อที่สามสิบสองพี่น้องครับในข้อยี่สิบเก้าพระเยซูสอนต่อไปนะครับว่ามีไฟและกรรมฐถันมาจากฟ้าตกมาจากฟ้าเผาผ่านพระเยซูบอกว่าจะเป็นเช่นเดียวกันครับ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมายีครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีสงครามหรือมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นการตกของดาวหรืออุกบาทเป็นไปได้ก็สาสิบเอ็ดถึงสามิหกเยซูบรรยายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นก็คือไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเก็บรวบรวมทรัพย์สินแม้กระทั่งกลับจากทุ่งนามาบ้านกิจวัตรปกติต่างๆจะผันผวนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่นมีคนสองคนนอนอยู่หรือโม้แป้งอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอยู่ในทุ่งนาจะรับคนหนึ่งจะละอีกคนหนึ่งไว้ฉันรับมีความหมายว่าไงครับพี่น้องเราต้องกลับไปอ่านหนึ่งเทสนิการาบที่สี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งเนิเทสนิกาบที่สี่ข้สิบเจ็ดเราสังเกตนะครับว่าตัวอย่างทั้งสองเรื่องนี้ที่ยกมานั้นมีมูลเหตุของการลงโทษครับมีมูลเหตุของการพิพากษาลงโทษปรากฏชัดเจนเยซูทรงตัดสิน ลงโทษคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับพระงว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นเพียงองค์เดียวพี่น้องครับเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นนะครับพระเยซูทรงทํานายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูในสมัยต่อมาเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระเจ้าจะทรงพิพากษาลูกนี้บรรดาผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะได้ไปสวรรค์ผู้ที่ไม่เชื่อก็ต้องลงไปสู่นรกพี่น้องครับ สุดท้ายในข้อสามสิบเจ็ดทำสามสาวกบอกว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนพวกเขาถามพระเยซูว่าพวกที่เหลือนั้นจะไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าที่ใดที่องค์พระนเจ้าอยู่เวลานั้นหรือจะเกิดการพิพากษานั้นก็จะมีฝูงนกแร้งลมอยู่นี่หมายความว่าฝูงนกที่รวมตัวกันอยู่ในบริเวณที่มีซากศพครับหมายความว่ามีคนมีความตายเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นตรงนั้นพี่น้องครับ เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับถ้าเราเป็นครึสเตรียนป ล, มปลอมๆหรือหน้าขี้ใส่คดเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเราจะเราไม่มีวันมั่นใจได้ว่าเราจะถูรับขึ้นไปหรือเปล่าหรือจะจบทิ้งไว้อยู่ในโลกนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นคริสเตียนแท้ผู้เชื่อแท้